ชาวโลกมักจะเห็นว่าเป็นผู้มีบุญวาสนาแต่ทางทำแล้วเห็นว่าผู้นั้นไม่ได้ทำความดีมากพอกับการที่มีชื่อเสียงจึงมักจะได้รับผลไม่ดีในบ้านปลายแต่คนดีที่ได้รับการปรักปรมจนเสียชื่อเสียงนั้นลูกหลานกับรุ่งเรืองได้ดีมีสุขเพราะผู้ที่ได้รับการปรักปรมสามารถอดทนต่อการถูกปน้ำยามเหยียดหวานอมขมกลืน